บุ๊กท 6.9 6.9 ิบเก้าต้องการอยาก p ้ t r e b a อ aka <S ดิฉันต้องการเตียงมิตรีบาครเวตมิตรีบาครเวตดิฉันอยากนอนซาคมดัสเยัมที่นี่มีเตียงไหมอิมัลีอู e อฟเว ดิฉันต้องการโคมไฟมิตรีบะลัมปะมิตรีบะลัมปะดิฉันอยากอ่านหนังสือสากรรมดัชิตัที่นี่มีโคมไฟไหมอิมัลีอืฟเดเ n a ดนาลัมปอิมัลี อ, ลอือเดเอ็ดน ดิฉันต้องการโทรศพัพท์มีตบทรศัท์มีตรทรศดิฉันอยากโทรศพัพท์สาขาเดอเทลฟีอนีรั ม, ท, รมที่นี่มีโทรศัพท์ไหมอิมัลีอืฟเดเทลฟอนอ ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปมีตระบะคามีมรามีดิฉันอยากถ่ายรูปศักกรรมดาตโฟตโกรรมที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมมีมารี the อูฟเดคามีระมรา ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์มีตัวบาคอมพิวเตอร์ดิฉันอยากส่งอีเมลทอีม เ, อ เ, อเมร ka ทีที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมอีม ทมี่อเดคอมพิวเตอร์ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นมีตรีบาเป็นคาโลมิตรีบเาเนคาโลดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อยซาคมดานาพิชามเนโตซาคมดานาพิชมเนโตที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม Имали овде лист хартија и пенкало?